3. เล่นเกมรักษาสัตว์หมายเหตุสัตว์ในที่นี้คือซื่อสัตว์นะครับหลังทำความเข้าใจหลักวิธีแล้วคุณควรค่อยๆถอยห่างจากแรงดึงดูดของเกมกรรมด้วยการรู้จักทำตัวออกห่างจากกรรมซะบ้างขอให้สัญญากับตัวเองว่าหนึ่งเดือนจะเว้นขาดจากเพศสัมพันธ์และการสำเร็จความใคร่เป็นเวลา4ี่วันเลือกอวันสะดวกวันไหนก็ได้ในสัปดาห์ ควรให้เป็นวันเดียวกันเพื่อมีกําหนดระยะที่ชัดเจนหมายความว่าในวันที่กําหนดนั้นคุณจะมีหรือไม่มีอารมณ์ทางเพศก็ไม่มีสิทธิตามใจตัวเองเมื่อสัญญากับตนเองในข้อนี้ขอให้ตระหนักว่าคุณกําลังเล่นอยู่กับแรงดึงดูดที่มีอำนาจสูงสุดในเกมกรรมถ้าทาได้ต่างกาหนดเวลาที่ตั้งไว้เช่นสามเดือนหรือหกเดือน ก็แปลว่าคุณต่อสู้กับอำนาจบีบคั้นไป12หรือ24ครั้งคุณจะพบว่าใน10หรือ20กว่าครั้งดังกล่าวมีหลายคราวที่เกิดความต้องการอย่างรุนแรงเพราะอย่างที่บอกว่าคุณกําลังคิดจะฝืนแรงดึงดูดหากผ่านด่านได้สาเร็จแต่ละครั้งขอให้สังเกตว่าคุณจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นมีอำนาจควบคุมตนเองมากขึ้น และเหมือนอยู่เหนือกลามได้บ้างแล้วจากที่ไม่เคยคิดจะอยู่เหนือมันมาก่อนมีแต่ยอมอยู่ใต้อิทธิพลของมันมาตลอดขอให้สังเกตดีๆไม่ว่าคุณจะตั้งใจรักษาศีลห้าหรือเริ่มเกมรักษาสัตว์อันดูเหมือนง่ายแต่เล่นยากนี้เกมกรรมจะส่งบุคคลหรือสถานการณ์ยั่วยวนชวนให้ผิดสัญญามาหาคุณเสมออาจจะในรูปของคาพูดอาจจะในรูปของภาพเสียงชวนหวิวไหว อาจจะในรูปของเนื้อหนังกระทบกระทั่งโจ่งแจ้งหรือถ้าไม่มีอะไรเลยก็เป็นจินตนาการร้อนแรงที่จู่ๆก่อตัวขึ้นมาเฉยๆในหัวคุณเองอย่า ก, กดข่มแบบกัดฟันกรอดๆขอให้ตั้งสติดีๆและสังเกตแบบสบายๆคุณจะเห็นและอัศจรรย์ใจกับมายาของเกมกรรมช่วงแรกที่ฝืนใจต้านจะทรมานเต็มไปด้วยความคันขย ე และเหมือนจะลืมเหตุผลมองไม่เห็นความจำเป็นว่าทำไมจะต้องมัวทรมานตัวเองอย่างนี้แต่หากคมใจผ่านช่วงวิกฤตไปได้คุณจะพบกับความจริงคือแรงของกามนั้นมีหนักได้เบาได้และเมื่อเบาจะเบายาวไม่เหมือนปวดอุจจาระแล้วต้องระบายออกท่าเดียวรางวัลของการรักษาสัจจะได้สำเร็จคือความเบาเนื้อเบาตัวปลอดโปร่งโล่งใจ กับทั้งเกิดขันติคือมีความอดกลั้นมีความแน่วแน่มีความคลายวางในกรมที่สูตรตัวว่าเป็นมือใหม่พยายามเลิกเล่นเกมกรรมได้ระดับหนึ่ง 4. เปลี่ยนฐานะผู้เล่นเป็นคนดูเมื่อไม่ศึกษาวิธีเลิกเล่นเกมกรรม เมื่อไม่รักษาสัตว์ที่จะตีตัวออกห่างจากกามเสียบ้างคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้เล่นเกมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเกมกามหรือเกมโกรธคุณทุ่มใจเล่นเต็มที่และเกิดความปักใจว่าคุณจะต้องมีชีวิตอยู่ในฐานะผู้เล่นเท่านั้นแต่เมื่อฝึกรักษาสัตว์จนควบคุมระดับกามได้ตามกำหนดคุณจะเริ่มเห็นต่างไปคือถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศแล้วมีสติเท่าทัน ไม่ปล่อยตามอารมณ์ในทันทีที่มีโอกาสอารมณ์เพศจะแสดงความไม่เที่ยงขึ้นได้ก็ลงได้ตามระดับแรงดันเบื้องหลังขอเพียงทำความเข้าใจว่าอารมณ์เพศเป็นสิ่งที่ถูกเห็นและสิ่งที่เห็นอารมณ์เพศคือจิตต่อต่อมาคุณจะเริ่มเห็นตามจริงมากขึ้นคืออารมณ์เพศกับจิตจะเป็นต่างหาจากกันอย่างชัดเจนจิตมีภาวะปลอดโปร่งสบาย มีธรรมชาติรู้อยู่เห็นอยู่ส่วนอารมณ์ทางเพศอาจคลืบคลานมาปรากฏด้วยธรรมชาติหยับๆยาบทางกายเป็นคนละภาวะเป็นคนละมิติกันในที่สุดคุณจะพบว่าอารมณ์เพศไม่ใช่ตัวคุณแต่เป็นสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นให้หลงรู้สึกไปว่าเป็นตัวคุณโดยเฉพาะในช่วงขณะที่คุณยอมหลงมันหัวปักหัวปั๊มจนงอหัวไม่ขึ้น เมื่อสามารถเปลี่ยนฐานะตัวเองจากผู้เล่นเป็นคนดูได้เพียงเท่านี้คุณจะเริ่มเห็นอะไรขึ้นมารางๆที่ผ่านมาคุณแค่ถูกหลอกให้หลงยึดบางสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนหรือได้คิดว่าการที่คนเราต้องติดคุกด้วยคดีข่มขืนแท้จริงไม่ได้เกิดจากความชั่วช้าเป็นปฐมเหตุแต่เกิดจากการมราคะในธรรมชาติอันยากจะห้ามใจต่างหาก เมื่อคนเรามีมโนทาไม่มากพอจะต้านแรงฝ่ายต่าก็พร้อมทําอะไรๆผิดพลาดและบางทีต้องชดใช้ความผิดพลาดกันด้วยชีวิตทั้งชีวิต 5. จุดสังเกตอัตตาเมื่อสามารถเห็นความโลภความอยากจะเอาเข้าตัวหรือความกำหนัดยินดีในการเป็น คุณก็ได้ชื่อว่าเห็นอาการทางจิตที่เห็นได้ยากแล้วเพราะปกติการสั่งสมความเคยชินที่ผ่านมาผู้เล่นเกมกรรมทุกคนจะแล่นทะยานตามแรงขับของความอยากหรือไม่ก็ต้องฝืนห้ามใจตัวเองจากความอยากด้วยเหตุผลบางประการไม่มีใครสร้างความเคยชินที่จะเป็นผู้ดูความอยากกันเลยสำหรับผู้เห็นภัยและปรารถนาจะเลิกเล่นเกมกรรม ความสามารถเห็นอาการอยากนนทนอยากนี้มีประโยชน์มากเพราะเมื่อตัวความอยากปรากฏชัดความรู้สึกว่ามีตัวตนก็ปรากฏชัดเป็นเงาตามมายิ่งความอยากเข้มข้นมากตัวตนก็ยิ่งเข้มข้นมากแต่ถ้าความอยากเบาบางลงตัวตนก็เบาบางลงถือเอาความรู้ตรงนี้เป็นจุดสังเกตตอนอยากอะไรแรงๆให้ระลึกเลยว่าอัตตาจะต้องแรง เพราะฉะนั้นหน้าตาของอัตตาก็ต้องแสดงตัวอย่างโจ่งแจ้งว่าเป็นอย่างไรคุณจะรู้สึกถึงความเป็นใครคนหนึ่งเป็นชายเป็นหญิงมีความทะนงมากหรือน้อยมีความอยากห้ามใจหรือพร้อมจะปล่อยใจมีวิธีได้สิ่งที่ต้องการมาแบบแยบยนต์หรือทื่อๆลักษณะเด่นที่กำลังปรากฏนาบัดนั้นจะสร้างมโนภาพของตัวตนขึ้นมาภาพหนึ่งอย่างแจ่มชัด เมื่อเกิดสติรู้สึกถึงมโนภาพของตัวตนดังกล่าวได้คุณจะพบด้วยความอัศจรรย์ใจว่ามโนภาพนั้นเลือนลางในเวลาต่อมาอาจช้าหรือเร็วสำคัญคือพอมโนภาพเลื่อนหายไปหมดความรู้สึกในตัวตนก็พลอยสาบสู์ไปด้วยชั่วคราวคุณจะรู้สึกเหมือนค้นพบความลับสำคัญของเกมกรรมนั่นคือตัวตนในมโนภาพไม่มีอยู่จริง แท้จริงเป็นแค่ภาพที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความหลงยึดชั่วคราวเท่านั้นถ้าตัวตนมีอยู่จริงความรู้สึกในตัวตนต้องคงที่ไม่ใช่แปรผันตามโนภาพอย่างนั้นถ้าหมั่นสังเกตอีกเรื่อยๆคุณจะยิ่งตาสว่างขึ้นทุกทีว่าในเกมกรรมนี้ความรู้สึกในตัวตนถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวไม่ใช่มีอยู่ในใจตลอดเวลาแต่อย่างใด ร่างกายเป็นเพียงรูปธรรมที่แสดงลักษณะอ่อนเยาว์พัฒนาขึ้นโตเต็มตัวแล้วลงเอยเป็นแก่ง่อมส่วนจิตใจก็สว่างบ้างมืดบ้างคิดดีบ้างคิดร้ายบ้างจะหาอะไรให้ยึดถือได้เล่าว่าเป็นตัวขุนแน่ๆ 6. จุดสังเกตอนัตตา หลังจากได้จุดสังเกตว่าอัตตาปรากฏชัดตอนไหนคราวนี้ก็ลองดูกันบ้างว่าเวลาใดที่อนัตตามาให้สังเกตชัดๆอนัตตาในการรับรู้ของคนธรรมดาคนหนึ่งคือความรู้สึกว่าไม่มีตัวตนนี่ไม่ใช่ตัวคุณเหมือนเช่นที่คุณจ้องมองหมอกควันแล้วรู้สึกถึงความเลื่อนลอยปรวนแปรไปมาไหลาจากความเป็นรูปหนึ่งสู่ความเป็นอีกรูปหนึ่งไม่หยุดหย่อน เราตัดสินด้วยความรู้สึกว่าหมอกควันไม่ใช่ตัวตนเพราะเห็นกับตาว่ามันเปลี่ยนรูปเร็วไม่เห็นว่าจะถือเอารูปตอนไหนเป็นตัวแทนที่แน่นอนของหมอกควันได้และในทางตรงข้ามพอเห็นด้วยตาว่าอะไรเปลี่ยนช้าหรือคงที่นานก็จะทึกทักว่ามันมีตัวตนมีความเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่จดจำได้เช่นใครคนหนึ่งเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นคนรักอยู่ได้ ก็เพราะรูปร่างหน้าตาของพวกเขาไม่เปลี่ยนในชั่วข้ามคืนเจอกันใหม่ก็ยังตรงกับความทรงจำไม่ผิดเพี้ยนเมื่อเราถูกหลอกให้หลงยึดสิ่งที่จำง่ายจับต้องได้นานเช่นนี้แล้วจะมีอะไรมาเป็นจุดสังเกตความจริงว่าอะไรอะไรไม่เที่ยงกันก็สิ่งที่ปรากฏปรวนแปรอยู่ตลอดเวลาในตัวคุณแต่ไม่เคยมีใครชี้ให้คุณสังเกตอย่างเช่นลมหายใจ ซึ่งพัดเข้าพัดออกเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่นเองเมื่อใดก็ตามที่คุณสังเกตเล่นๆ เ, เรื่อยๆจะมีจุดหนึ่งที่เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าลมหายใจเหมือนหมอกควันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนและที่สำคัญไม่ใช่ตัวคุณด้วยเพราะโดยธรรมชาติของจิตที่เห็นอะไรไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆจะเกิดการถอยออกมาเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้ยึดได้เอง อีกจุดสังเกตหนึ่งที่เห็นอนัตตาง่ายเป็นพิเศษได้แก่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนกำลังเบื่อตอนกำลังท้อเพราะแก่นของภาวะเหล่านั้นไม่มีความรู้สึกอยากให้เป็นตัวตนอยู่แล้วมโนภาพเกี่ยวกับตัวตนไม่ปรากฏอยู่แล้วเมื่อคุณรู้สึกถึงมันคุณจะพร้อมเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนทันทีสิ่งที่แปลกอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อจิตรับรู้ว่าภาวะเบื่อภาวะท้อ แต่เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ถูกรู้ภาวะเบื่อหรือภาวะท้อก็จะลดระดับลงแทบจะทันทีหรือบางทีอาจหายสูญไปเป็นปลิดทิ้งนั่นเพราะการยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นตรงตามจริงนั่นเองเป็นสติเป็นสภาพกุศลเข้ามาแทนที่ความหดหู่หมุนหมองอันเป็นอกุศลนอกจากภาวะเบื่อและภาวะท้อยังมีภาวะตอนที่คุณขัดแย้งกับตัวเองมากๆ จนจิตปั่นป่วนซัดสายหรือมัวสัวเช่นความรู้สึกเบื่อเบื่ออยากอยากความรู้สึกเหมือนอยากลุกขึ้นหดสู้และกลับถอดใจนั่งแผะลงงอมืองอเท้าเหมือนเดิมช่วงนั้นความรู้สึกในตัวตนกำลังไม่มีความแน่นอนเรรวนส่วนเซถ้าคุณเห็นความกลับไปกลับมาของอาการทางใจได้บ่อยๆก็จะพลิกความหดหู่เป็นรู้แจ่มชัดได้ง่ายๆว่านั่นเป็นอนัตตา นี่ไม่ใช่ตัวเรายิ่งเห็นบ่อยเท่ากับยิ่งสั่งสมความเห็นตามจริงก่อให้เกิดความสามารถออกจากเกียงกรรมได้จริงยิ่งขึ้นทุกที